อาการทรุด 2 เมษายน 2533 เป็นวันที่อากาศร้อนมาก การจริงมารยาทสาจริงๆก็มีทั้งหลายคน 5 ปิระยะวะวราภรณ์ 2 แพทย์ เจ้าดะเกษรินแล้วก็นายแพทย์นพพรแล้วก็พระหญิง ทั้งหมดนี้ร่วมกันทําการรักษาแล้วก็ยังมีคุณสุทธิรักเป็นหมอจิตนะกระตุ้น หมอรักษามีแล้วตั้งเยอะรวมแล้วประมาณ 9 หมอแล้ว 10 หมอด้วยกันแต่ <c oughs> ก็ขอเล่าความเป็นมาสักเล็กน้อยเอานี้ตอนนี้เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆกันคือว่าเรื่องหนักๆท่านอ่านให้ท่านฟังกันมาแล้วนี่ก็มาฟังกันเรื่องเบาๆแต่ความจริงเรื่องเบาๆนั้นมันเป็นอย่างนี้ วันที่ 19 เมษายน 2532 ตอนเช้า 17 18 แล้ววัน 19 ก็คอยธนาคารจะมา ขณะที่ทําธนาคารยังไม่มา ก็ไปพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านประทับยืนอยู่กลางบรรดาประชาชนแต่คนที่ล้อมท่านอยู่ก็ไม่มากแต่งตัวดีๆแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการสําหรับผู้พูดนี้ไม่ไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านยืนอยู่ข้างนอกเข้าไปในวงที่ท่านคุยกันแต่ว่ายืนอยู่ข้างนอกวง ห่างกันก็ประมาณสัก 3-4 ว่ามีเป็นพระอยู่องค์ พ่อเจ้าขาเจ้าขาขอรับกับผมเป็นปกติธรรมดากับทุกคนที่ยืนล้อมอยู่หันหน้าไปทาง <c oughs> <c oughs> มาตัวสวยมากงามสง่ามากเขานุ่งมา รูปร่างลักษณะเป็นคนเนื้อเต็มสูงใหญ่หน้า 1 กิโลเศษๆ ก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นมีน้ำมีม้าเป็นพนักนั่งเป็นไม้ธรรมดาธรรมดาก็ทําเป็นไม้เป็น 10 คนนั่งตามเรียงกันไปเรียงหนึ่งนะเมื่อมาถึงที่ตรงนั้นแล้วก็ปรากฏม้าตัวนั้นล้มลงคนคน ทุกคนก็พากันไปที่นั่นเว้นไว้แต่พระบาตรสมเด็จจี้หัวก็สมเด็จ <c oughs> <c oughs> แต่พอไปถึงเข้าจริงๆก็ปรากฏว่าคนนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเขาทราบว่าคนคนนี้มาจากไหนนี้พระท่านถามว่าคนคนนี้มา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะขาวพรหมไปฝรั่งก็ไม่ใช่แต่ว่าการไกลๆก็จะไม่ได้สนัดคน คนนั้นก็ทราบว่าถึงชีวิตเค้าสั่งให้มาฆ่าจึงได้ถามคนที่ผู้ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงเค้าบอกว่า แล้วก็พวกเขาที่ยืนล้อมไปจะอยู่หัวอยู่ประมาณทั้ง 10 คนเศษพวกนี้เป็นพวกราชองครักษ์เธอ ถ้ามันตายเสียก่อนเขาจึงไม่ต้องลงมือทําร้ายแต่ เวลานี้ผมเองก็อยู่ในลักษณะเป็นพวกของเขาเรียกว่าซ้ายไม่ซ้ายเข้าอย่าง เขาบอกว่าอาวุธที่มันร้ายแรงกว่านั้นมีอยู่เป็นชิ้นเล็กๆมีในร่างกายของเขายืนเลถามว่าถ้าอย่างนั้น ก็เป็นนั้นว่าเมื่อความฝันมาถึงตอนนี้ก็สะดุ้งตื่นก็มีความรู้ <c oughs> พระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คนทุกคนทุกชั้นทุกเหล่าและมีความลำบากยากแค้นหวังจะช่วยประชาชนคนไทยทั้งชาติให้มีความสุขทรงทํางานทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมา <c oughs> บรรยาธิการใหม่ของพระองค์ก็ตามสนับสนุนให้พระองค์พ้นจากภัยอันตรายถ้าความฝันที่ว่า แต่ก็ไม่ใช่อารมณ์ของฌานสมาบัติไม่ใช่ทิพยคุยานจะถือว่าเป็นทิพยคุยานเป็นกามปยากรอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันเป็นความเครมของ <c oughs> นี่เป็นเรื่องคิดว่าที่วัดบ้านหนองโคก็ขอนําเรื่องผีวัดบ้านหนองโคมาเล่า ยกสงท่านก็พยายามบอกว่าเอาเรื่องไส้ๆเล็กๆน้อย <c oughs> ว่าวันหลังจากนั้นแล้วตอนสายธนาคารก็บ่าย 1:00 น. น, นก็ <c oughs> วันรุ่ง 20 จะไปวัดสามพญากับวัดปฐมังควงคามความจริง เมื่อทรงกล่าวเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบนี้ก็ ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและพระอรมาราชินีนาถความจริงวันนั้นเค้าทําตามนั้นไม่ได้เล่าเรื่องนี้เค้าฟังก็ไปน่าอัศจรรย์เป็นเค้าดีใจอยู่มากที่เห็นภาพอย่างนั้น เงามาโคยกันเรื่องเรื่องพี่ผีหัวขาดตอนที่บวชใหม่ 2 พรรษาที่ 2 นี่ต้องเป็นบรรสาที่ 1 อยู่ในป่าช้า แต่เวลากลางอยู่ป่าช้าก็อยู่แต่กลางคืนกลางวันเข้ามารวมกับพระในวัดเป็นร่วมบาตรด้วย 1 เรียนนักธรรมตรี 2 เรียนนักธรรม 3 เรียนนักธรรมเอกแล้วก็ที่วัด เวลาก็แบ่งเวลาว่าเวลานี้ดูหนังสือเวลานี้ทํา 1 ตอนหลังจากทําวัดสวดมนต์เย็นเสร็จ <c oughs> โดนหนังสือหน้าตอบปัญหาที่ครูถามมาบ้างนั้นพอ 4:00 น. ก็เจริญกรรมฐาน 5:00 ตาบูชาพระถึงเวลา 2:00 เวลา 4:00 น. น, น, น, นพระเถระคังนั้นก็ดูหนังสือ เมื่อสว่างแล้วก็ไปบิณฑบาตกับพระขณะที่บิณฑบาตก็ว่าอิติปิโสภควารวยไปจนกว่าจะ พรม่ะเทวดาครูบาจารย์ทั้งหมดนึกในใจ <c oughs> พระก้าวออกเดินจากคนกลุ่มนั้นไปข้างหน้าก็นึกอิติปิโสเรื่อย <c oughs> <c oughs> สำหรับเรื่องปีที่ 1 ยังไม่ต้องคุยมาคุยกันปีที่ แต่แล้วก็ยังไม่เป็นที่อยู่ของพระเวลานั้นยังไม่เป็นโรงเรียนเออแล้วก็ยังไม่เป็นที่อยู่ของพระก็ เอาก็ถูเค้าก็ใช้จานสะอาดพอทั้งคนใงกุฏิที่มีชายคลุมปิดร้อมรอบกว้างมากแต่บังเอิญก่อนหน้านั้นมีพระ 3 ชุดชุดละ 2 องค์ขึ้นไปอยู่พระก็คงขึ้นไปอยู่แล้วคืนที่ 3 วันที่ 3 หลังจากคืนที่ 3 นั้นทุกองค์ก็ลงลงกลับนอนที่ ถ้ามีอะไรมั้ยท่านก็บอกว่ามันจิตความจริงจริงแล้ว 3 คืน 3 คืน 3, 3, 3, 3 ชุด 2 องค์พอ 3 ผ่านไปเห็น ตอนจึงวังก็ก็ไปกราบกราบหลวงให้จิตใจมันดีคนนี้ซะก่อนก็ 2 เวลาเดินลงมาข้าง เดินสบายท่านก็ยับยั้งขออนุญาตท่านไปนั่งกรรมฐาน <c oughs> วันหน้าจะมีความสุขแต่ว่าในเมื่อท่านห้ามก็ลองดูสักนิดนึงคิดว่าวันนี้ควรจะลองฝืน <c oughs> พอเข้าไปแล้วก็ไปนอนกราบพระธรรมวัตรชดมนต์ ยงดำเมื่อก็คิดในใจว่าหน้าต่างรอบตัวก็หมดโรงกลอนหมดณเวลา 100 คนเมื่อยิ่งฟังเสียงก็ยิ่งดังก็อันตรีย์เรื่อยไปยิ่งอันตรีย์เรื่อย จะจำว่าเป็นเสียงพระอะไรสักองค์หนึ่งก็ไม่มีๆแต่ว่าฟังรู้เรื่องสักคำก็ไม่มีเรื่องแต่เรา ถ้าพูดภาษาเจ๊กไม่รู้ถึงแม้นเราจะอยู่ <c oughs> เมื่อเห็นคือประตูใส่กุญแจก็ยังไม่ไม่เปิดประตูก็เดินไปรอบๆตัวว่าหน้าต่างบ้านไหนเปิดบ้างบางทีเขาจะไม่ไขกุญแจ อากาศยังรั่วเข้าไปด้วยสายไฟ <c oughs> ถ้าตามปกติแล้วพระ <c oughs> แล้วก็เสียงคุยเพลือกันอีกก็เข้าไป มาเดินกลับมาถึงที่นอนถึงที่พักถึงห้องพักเขาก็ยัง ถ้าพวกก็คุยดังมากขึ้น เมื่อทําไปเสียงก็ก็คุยดังไปมันก็ปกติเราก็ภาวนาเรื่อยๆไปรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆ แสดงว่ากำลังสมาธิสูงขึ้นก็ฟังเสียงไปเสียงไปสักครู่เดียวก็ปรากฏเขาคันยังไม่ตั้งใจฟังเสียงนั้นนำประภาวนาของเค้า เอลานี้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลา